พระธรรมเทศนาลำดับที่สิบเก้าโดยหลวงพ่ออินทายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าจิตว่างน้อมนำสมบัติครูบาอาจารย์รุ่งเรืองผาสุขวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนห้าเป็นวันอุโบสถ ด, ด้วยวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถ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 สู่ใจใจของเราก็จะแยกแยะปรับปรุงแก้ไขเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ให้ธรรมะมาท่านก็ให้มาแต่พูดได้สมบัติจริงๆก็คือพวกเราท่านทั้งหลายเพระาะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังสิ่งไหนก็ตามอย่าไปฟังแต่สักว่าฟังฟังให้นามาคิดนํามาพิจารณาปรับปรุงกายวาจาใจของเราอย่างผมเนี่ยเป็นต้น ผมอยู่กับองค์หลวงปูล่ลาแต่สมัยเป็นแดนต่อมากับเป็นพระหลวงปูบ่บรรดาการพูดการแนะแนวผมว่าไม่มีองค์ไหนที่จะเกินหลวงปูล่ลาอีกอย่างหนึ่งคงจะเป็นอุปนิ ส, สยัยและเป็นนิ ส, สัยของท่านเป็นคน ท, ทนีท่วนท่วนทีมีอะไรเท่าก็จะพูดจะเล่าให้ฟังพอระลึลกถึงเรื่องอะไรได้มาท่าก็พูดให้ฟัง แต่สมัยเราเป็นเด็กเราก็ลำคาญในการได้ยินได้ฟังเพราะท่านพูดบางทีเอาเรื่องเก่ามาพูดมาก็แยกแยะให้ฟังอีกขราวนี้แยกแยะมุมหนึ่งแต่ข้าวหน้าแยกแยะมุมหนึ่งแต่เป็นเรื่องเก่าตอนนี้เราฟังหลายครั้งต่วหลายหนเราก็รู้สึกว่าเบือบ่อๆแต่ก็ไม่แสดงอากัปกิริยาแต่ฟังๆโอ้ทาไมทาไมหลวงปู่ทาไมพูดบ่อยนักอย่างนี้เป็นตน้น แต่ตามไม่จริงการพูดของท่านน่ะท่านย้ำอยากจะให้พวกเราได้ยินได้ฟังเนี่ยเข้าใจเข้าใจแล้วก็แยกแยะแต่ผลที่สุดก็ยังเป็นอย่างที่ท่านพูดจริงๆท่านพูดต่อหลายครั้งต่อหลายโหนพอทุกวันนี้ที่เรามาเป็นผู้ใหญ่เรามาถึงระดับนี้พอเรานึกย้อนไปอย่างที่องค์หลวงปู่ราาที่ท่านแนะนำสั่งสอน เราก็ยกมือท่วมหัวเลยโอ้มีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนถ้าครูบาอาจารย์ไม่บอกไม่กล่าวไม่แนะนำสั่งสอนแล้วเราจะได้รับความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้อย่างไรอันนี้ท่านบอกท่านแนะแนวหลายๆชั้นเชิงหลายๆแนวทางที่ให้เราได้คิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลที่ท่านได้แนะนาไป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 พระรอบครอบมีฮิริอัตตะมีมารยาทที่ดีไปนสถานที่ใดจดทายาติโยมพุทธบริษัทสี่ยอมรับว่าเป็นผู้มีนิ ส, สัยดีมีมารยาทดีมีความสามารถเพราะพุทธศาสนาในยุคนั้นก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าว่ายุคใดสมัยใดมีแต่ใช้นักลงนักเลงพูดจาพาที ไม่มีสัมมาคารวะไม่มีฮิลีโอ ต, ตปะการประพฤติตนก็เป็นอารัจชีอริจิตาเป็นผู้ไม่มีอย่างอายไม่ครบในศินลวินยัยในคราวนั้นยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นที่เอื่อมละอาของพุทธบริษัทเหมือนกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนทุกองค์เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีขันติคือความอดทน แล้วก็พร้อมกันก็ให้มีให้ศึกษาศีลและวินัยให้มีมารยาทที่ดีให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักผู้น้อยให้รู้จักผู้ใหญ่การพูดจะพาทีให้รู้จักผู้มีอายุพัรษาอย่าไปพูดแบบไม่รับผิดชอบจะพูดอะไรก็พูดตามที่หลวมปากกมาแล้วก็พูดเลยอันนั้นใช้ไม่ได้นะ ไม่ใช่เรื่องของพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เรื่องของพระกรรมฐานอีกต่างหากมันไม่ถูกต้องแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าจุดนี้รู้สึกว่าเกลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่ผมเห็นการเคารพกูบาจารย์รู้สึกว่าน้อยล่อยหลอลงไปเรื่อยๆเห็นทั้งเห็นทั้งได้ยินยกนี้สมัยนี้ทาไมเป็นอย่งงางนั้นก็ไม่รู้พระรู้สึกว่าแข็ง กระด้างขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่เป็นผลดีต่อพระเองไม่เป็นผลดีต่อพระพุทธศาสนาไม่เป็นผลดีต่อวงการสงฆ์ถ้าคำว่าอ่อนน้อมอ่อนน้อมอย่างไรค็ว่าอ่อนน้อมงกล้ๆกับว่ารู้จักการเทศะบุคคลการสถานที่บุคคลบุคคลเช่นไรควรจะแสดงความเคารพรารวะบุคคลเช่นใดควรจะแข่งก้าวหรือประนาม ในเมื่อทาไม่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเราจะอ่อนทุกอย่างไม่ใช่ว่าเราจะแข็งทุกอย่างเราต้องรู้จักพิธีการวางตัวเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรานะพูกทางนี้ทางนั้นในยึดหลักยึดหลักธรรมในยึดหลักฟีไนเข้ามาสู่ตัวของเราอย่าไปใช้แบบทิฏฐิมานะของตัวเองทิฏฐิคือความแข็งกระด้าง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 แต่ว่าการแข็งหรืการอ่อนจุดนี้นะบางคนท่านิสัยไม่รอบครอบหรือใส่โง่พูดง่ายๆแข็งไปหมดไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ําอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อยากจะให้หมู่พวกเพื่อนที่มาศึกษากับผมมาอยู่กับผมเนี่ยให้รู้จักนาะอผมไม่ชอบนิสัยแข็งกระด้างแต่นิสัยอ่อนน้อมถ่อมตนเ อ, อแล้วก็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 นิสัยพูดพลอยพลอยพูดเอาดีใส่ตัวเอาช่วยใส่คนอื่นอันนั้นก็มีมากต่อมากเหมือนกันเวลาคู่คนเขามาหาก็นั้นนะตำหนิคนอื่นแล้วก็เอาความดีมาใส่ตัวเองตาไม่จริงถ้าพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกใครท้าว่าทึกังไงจะไปเหยียบย่าคนอื่นเขาถึงจะยกตัวเองก็ยกไปเลยแต่จะไปเหยียบคนอื่น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 เสมอกันกับเพื่อนพิกษุสมัมมาณีอื่นไม่ใช่ว่าย่อหย่อนกว่าสมัมเาณีอื่นในการรักษาศีลเขารักษาศีลอย่างหนึ่งตัวเองเขารักษาศีลอย่อหย่อนกว่าเขาอันนี้ก็ทําให้หมู่พระเณีเขาลังเกียดเดียวฉันเราได้อะไรกับแบงปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบธรรมให้แก่เพื่อนพิกษุสมัมมาณีไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียวอันนี้แหละสารานิยธรรม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 ให้ดูซะก่อนดูเหตุดูผลซะก่อนจากนั้นยังค่อยมีเรื่องที่จะออกมาค่อยออกพูดออกมาแนะนําออกมากล่าวสอนออกมาถ้าหาว่าพวกเรามีอะไรขึ้นมาเกิดขันติไม่มีในจิตในใจมีแต่เรื่องโป่ง ป, งปางออกมาเรื่อยๆทาให้เสียหายสะท้านวันไหวไปเรื่อยหาความสงบรบ่มเย็นเป็นถุขไม่ได้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 คุณกับโทษน่ะต้องเอามาชั่งใส่กันซะก่อนอันไหนหนักอันไหนเบาเผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ต้องชั่งน้ําหนักอันไหนหนักอันไหนเบาแต่ถ้ามันหนักก็อย่างว่ามันก็ต้องตัดทิ้งแต่นี่มันก็ไม่ถึงมันหนักทั้งคู่แต่ก็อึดอัดมันก็ต้องอยู่ในใจซะก่อนคิดซะก่อนว่าจะจะทำยังไงในเรื่องเช่นนี้จึงจะถูกต้องค่ะนี่อันนี้ผมได้อ่านใน ชาดกกวมีพระราชาพระองค์หนึ่งคือพระเจ้าพราราณสีวะนะพระเจ้าพรมทัตของราชสมบัติอยู่ในกรุงพราราณสีพระองค์มีอํามาศอยู่คนหนึ่งแต่เป็นผู้ฉเฉลียวฉลาดรับหน้าที่การงานบ้านเมืองดีมากแต่เป็นคนเจ้าชู้อะอํามาศคนนี้เป็นคนเจ้าชู้แต่นี้ก็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 ประเทศชาติมันก็ต้องอาศัยผู้ที่มีความตั้งใจทำการทำงานแต่ส่วนอื่นเขาดีหมดแต่เจ้าชู้จุดนี้ละเรารับไม่ได้พระราชาแต่ก็อยู่ในใจแปลว่าไม่ทำอร่อยอยู่ในใจของพระราชาต่อมาอีกอันอามาตย์คนนั้นก็มีคนใช้ในบ้านอีกเหมือนกันเถอะคนสวน คนดูแลบ้านผู้ชายคุณสวนไปเจ้าชู้กับคนครัวของตอนเองอีกพอตัวเองรู้เท่านั้นแหละท่นี่โอ้โหโกรธให้คนสวนจนตัวสั่นเหมือนกันพูดอะไรไม่ออกฝนที่สุดก็จับคนนั้นมาหาพระราชาเพื่อจะเอาลงโทษพอมาหาพระราชาก็บอกว่าเนี่ยคนสวนของข้าพระองค์เนี่ย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 งพระราชาก็ได้ยินมันก็เข้าข่ายเลยเข้าข่ายกับอมาดคนนี้ทํา เ, เจ้าชู้กับสนมของพระ อ, องค์พระราชาก็บอกว่าในวังของเราเนี่ก็มีเหมือนกันนะ อ, ะอมบาดมันเจ้าชู้กับสนมนะแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่เขาก็เป็นคนดี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 พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ในพระไตรปิฎกมันนำมาคิดนำมาพิจารณากันคลองไตรตองเหตุและผลแล้วเป็นแนวความคิดที่ลึกซึง้งเท่านไม่ให้ไปหน้าเดียวให้ไปลหลายหน้าแต่พอถึงหลายหน้าก็เตื่แต่ให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยอย่างที่พระราชากับอมาตนั้องเอามาบวกลบคูณหารความดีกับความชั่วของเขานั้น อันไหนมากกว่าเนี่ยพราชาบวกลบคูณหารโดนแล้วว่าความดีของเขาเนี่ยมากแต่ความชั่วของเขาก็มีอยู่อย่างเนี้ยออแต่อึดอัดไม่อึดอัดแต่ก็อจะทํายังไงเอาไว้ก่อนนี่แหละอันนี้ก็คือสรุปแล้วท่านก็บอกว่าคนเราเนี่ยจะหาคนดีเพียบพร้อมด้วยความดีหมดทุกอย่างมันหายากอมันดีตัวหนึ่งมันก็เสียตัวหนึ่ง แต่ว่าตัวเสียนะก็เอาทำาไม่มีเสียจนเกินไปพักไว้ก่อนอันนี้ก็คือในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนานพระองค์ที่ท่านสอนเอาไว้เป็นแนวความคิดของพวกเราทางนั้นเราะขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะหมู่พวกเพื่อนทุกองค์สรุปแล้วก็คือเรามาบวชมาเพื่ออะไร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 ได้ดูได้เห็นนั่นแหะคือพระาธาตุของพระอรหันต์แต่พวกเราก็ับถึงจะโง่อย่างไงก็ตามเราก็พยายามเดินตามแนวแถวเพื่อเราจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินท่านพาดําเนินอย่างไรนั่นแหะท่านก็บอกมีมากมายอดนอนผ่อนอาหาร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 ในเมื่อเป็นความจริงแล้วจะว่าขู่กันได้ยังไงเอาความจริงมาพูดให้กันฟังเอาความจริงมาเปรียบเปียให้กันฟังว่าพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะอีกสักวันหนึ่งนะ่ะพวกเราจะต้องกลี๊กลีหนีไม่พ้นอนะเรื่องมรณะภัยตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกถ้าพวกเราอยากจะรู้นั่งภาวนาจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจอาศัยกันอยู่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 บนชั้นพรมเอ่อวิอเวหาอัตตาสุสาสุเสียกนิฐานะชั้นพรมพรมเป็นที่อยู่ของพรมนี่แหละมาพูดถึงเรื่องพรมพรมคํานี้เนะี่ยพระพุทธเจ้าขึ้นไปอยู่พรมเลยมากตัวมากชาติไหนที่ท่านเป็นลือศีอยู่ในป่านะชาตินั้นแหะท่านที่จะขึ้นไปจูพรมพราท่านภาวนา ท่านภาวนาะท่านจะจะขึ้นไปสู่พรมแะแต่ท่านบำเพ็ญเป็นพระราชาเป็นพระราชาและเป็นเศรษฐีเนี่ยท่านจะขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นสวนมากเพราะท่านไม่ได้ภาวนามีแต่ท่านบำเพ็ญให้ทานรักษาศีลสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์คนท่านจะขึ้นไปสู่สวรรค์เป็นสวนมากแต่ชาติไหนที่ท่านไปบำเพ็ญตะปะอยู่ในปา่าดงพงไพ่ไปนั่งภาวนาอยู่ในปา่าดงพงไพ่ชาตินั้นะท่านจะได้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 แต่ท่านไปบำเพ็ญจนจิตใจของท่านว่างจนไม่มีอะไรในใจแม้แต่น่อยเดียวในความคิดท่านไปบำเพญ็ญต่อมาลือสีอยู่ด้วยการห้าร้อยอีกลือีที่เป็นลูกศิษย์ผู้ใหญ่กระบอกโอ้ท่านอาจารย์กระผมจะขอไปจำพรรษากรุงพาราณสีเพราะมีกิจธุระเกี่ยวกับ วงสาคนาญาตลักษณะอย่างนั้นทางฤาษีที่เป็นอาจารย์เออกรไปกระไปเซ่แต่อาจารย์เนี่ยพูดให้ฟังแต่ลูกศิษย์ให้ฟังอยู่เสมอว่าเรานี่นะไม่มีคุณธรรมนะใจของเราไม่มีคุณธรรมอะไรเลยนะว่างนะไม่มีอะไรใจของเราไม่มีอะไรแต่นี้กับพอลูกศิษย์คนใหญ่ไปอไปอยู่ในเมืองอห่างไกลเดินทางไป กว่าจะไปถึงเมืองพลานาสีก็เป็นหลายเดือนกว่าจะไปถึงได้ไปจำบรรษานะ้วไปอยู่ด้วยจกักรพมากขไม่ได้จาบรรษาอาจารย์อยู่ทางนี้ก็อายุมากแล้วกับบริวารอีกสองห้าสบแบ่งครึ่งกันแต่นีนก่อนที่อาจารย์จะตายลูกศิษย์ก็ถามท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์มีคุณธรรมมีฌานมียานาทัศนะ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 ทำอะไรไม่มีอะไรคุณธรรมอะไรในใจของเราเลยแต่นี่กับพอจากนั้นมาอาจารย์ก็เลยมรณะภาพตายพอตายไปแล้วไอ้พวกที่อยู่ไอ้สองร้อยห้าสิบคนเนี่ยเป็นลูกศิษย์อยู่กับอาจารย์โอ<ฮ>้อาจารย์ไม่มีคุณธรรมอะไรไม่มีคุณาภาพอะไรเหมือนเหมือนกับหมาตายลักษณะอย่างนั้นไปจาัด ก, การเผาธรรมดาอาจารย์ตายแล้วอะไรไปเผา พอเผาเสร็จแล้วอาจารย์ก็ป อ, อ, อมละนาผาไปก็นุ่นขึ้นไปอยู่ชั้นพรมอาจารยจัญญายตนาพรมคือพรมที่ไม่มีชัญญยาเขไม่ใช่ชัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ชัญญาก็ไม่ใช่ให้ขค่มาปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีสัญญาแต่ที้พ่อเนีน่จัดเผาอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลือสีที่อยู่ในเมืองก็เข้ามาเลยมาคิดว่าจะมาคิดถึงอาจารย์แล้วเกินมาเยี่ยมอาจารย์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 สัจสาลาสิงเนี่ยแหละทางอาจารย์ทางลูกศิษย์ผู้ใหญ่มาจากในเมืองโอ้โหพกท่านคําเว่าไม่มีธรรมในใจจุดนี้นะพกท่านตีความหมายผิดเสียแล้วเพราะนั่นก็เสียงคอเป็นเอ็นมอนกันเหมือนกันเลยลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์เถียงกันอแต่ไอ้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่ที่ไปในเมืองเอามาเถียงมาบอกแต่พวกนกั้นไม่ยอมลูกเดียวเพรฟัง ใส่หูทั้งสองข้างว่าอาจารย์ไม่มีอะไรนะจากนั้นอาจารย์อยู่ที่อยู่ชั้นพรมอาจย์จินจัญญายตนานะลงมาการอากาศแผ่แสงสว่างบริเวณนะ เ, เห็นได้ชัดเลยเหมือนกันเถอะมองไปเห็นพรมท่านพรมท่านก็นบอกว่านี่นะพวกท่านทั้งหลายเราเนี่นะเป็นอาจารย์ของพวกท่านเป็นฤาสนะีตายไปแล้ว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 อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณว่างของพระอรหันต์กับว่างสมัยนั้นมันต่างกันไอจุดนี้พอเนี่ยพวกเราก็เปรียบเทียบให้ฟังให้เป็นแนวทางอีกเหมือนกันคำว่าว่างคานี้กันว่างขนาดไหนนี่แหละทำใจให้ว่างทตําปอให้ปล่อยวางว่างไม่ให้ยึดมั่นถือมั่ น, นกระทั่งตัวตนในขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้บอกแนว ความคิดให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานะการกล่าวสมมูทธนิยคาถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาเขายุติอาตอนนี้ไปนั่งสมาธินะั่นนี่นะ